บทที่หชีวิตโอปปาจิกะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าชีวิตต่างๆในสากลจั ก, กรวาลเมื่อสรุปแล้วก็มีอยู่สี่แบบคือ 1. ชลาพุชะแปลว่าชีวิตที่เกิดมาจากมดลูกแล้วออกมาเป็นตัวเช่นมนุษย์เป็นต้น 2. ออันทชะแปลว่าชีวิตเกิดออกมาเป็นไข่ แล้วมาฟักเป็นตัวข้างนอกเช่นเป็ดหรือไก่เป็นต้น 3. ส, สังเสชะแปลว่าชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือในที่สกปรกซึ่งได้แก่พวกเชื้อโรคต่างๆหรือพวกจุลินทรีย์ต่างๆซโอปปาติกะแปลว่าชีวิตที่ปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนทันที ถ้าเป็นชีวิตที่เกิดจากจิตใจโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมชีวิตประเภทนี้ก็ได้แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่าผีสางนางไม้เทวดาพรหมหรือเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นต้นในชีวิตสี่ประเภทนี้สำหรับสามประเภทข้างต้นนั้นเราเข้าใจกันดีส่วนชีวิตอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่าโอปปาติกะนั้นคนส่วนมากยังไม่ค่อยจะยอมรับเพราะเขามองไม่เห็นและคนส่วนมากก็ยังถือว่าเรื่องนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ความเป็นจริงชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะนั้นถ้าศึกษาให้ถูกวิธีแล้วเข้าใจไม่ยากเพราะทุกคนจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตนเองทั้งสิน้นโปรดเข้าใจไว้ก่อนว่า ด้วยการเข้าใจเรื่องโอปะปะติกะอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเราจึงจะมองเห็นว่าร่างกายของเราได้เอากำเนิดมาจากวิญญาณจริงๆเหมือนกับตัวเราในความฝันนั่นเองและวิธีที่จะศึกษาเรื่องโอปะปะติกะให้เข้าใจนั้นในครั้งแรกเราจำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อตามคำภีไปพรางก่อน ต่อเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจตลอดแล้วเราจึงจะเห็นเหตุผลเกี่ยวโยงถึงกันหมดและในที่สุดเราก็จะบอกได้ด้วยตนเองว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองบทที่6วิธีศึกษาเรื่องโอปปะจิกะความฝันสามอย่างวิธีการศึกษาเรื่องโอปปะจิกะ ที่จะให้เข้าใจก็คือก่อนอื่นเราต้องพยายามศึกษาเรื่องความฝันประเภทต่างๆให้เข้าใจเสียก่อนเพราะจากตัวอย่างในความฝันนี่แหละที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องโอปะปะติกะได้ง่ายโดยปกติความฝันต่างๆนั้นพอจะแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้คือหนึ่งความฝันที่เกิดจากความนึกคิด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 เพราะไม่มีเรื่องที่จะก่อกวนความสงบในใจความฝันที่เกิดขึ้นจากจิตจะสงบนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวภาพในความฝันจะชัดเจนตื่นขึ้นมาแล้วส่วนมากก็ยังจำได้และบางคนก็อาจจะจำไปได้นานตั้งหลายเดือนแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้นสความฝันที่เป็นจริง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 ความฝันที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าโอปปาติกะมีจริงส่วนความฝันที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อเช็จจริงที่จะช่วยเข้าใจเรื่องโอปปะติกะได้ง่ายก็คือความฝันประเภทที่สามซึ่งเป็นการฝันเห็นของจริงขอให้สังเกตดูว่าโดยปกติคนเราจะเห็นอะไรจะต้องอาศัยตาและนั่นย่อหมายถึงว่าเราจะต้องตื่นด้วย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 การศึกษาเรื่องความฝันให้เข้าใจโดยตลอดและศึกษาจากข้อเท็จจริงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องโอปปะปฏิกะได้ง่ายและเมื่อเข้าใจเรื่องโอปะปะฏิกะชัดเจนแล้วเราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าร่างกายของคนเราทุกคนเอากาเนิดมาจากวิญญาณของตนไม่ใช่เอากาเนิดมาจากพ่อแม่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 ก็เมื่อในทางวิทยาศาสตร์เองก็ยังเป็นเช่นนี้ฉะนั้นเราก็ควรจะยอมเชื่อตามคนอื่นไปพรางก่อนถึงแม้ว่าเราจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามเพราะถ้าไม่ยอมเชื่อกันบ้างแล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นความจริงในทางศาสนาได้เลยความเป็นจริงในกรณีของคนที่ฝันเห็นของจริงนั้นหมายความว่า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 ตัวตอนที่เกิดจากจิตใจโดยตรงนั้นก็มีอวัยวะต่างๆครบถ้วนเหมือนกับกายเนื้อมีตาหูจมูกลิ้นมีสมองมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์แตกต่างกันก็จะเพียงว่าร่างกายของมนุษย์เป็นกายเนื้อและเป็นกายที่หยาบส่วนร่างกายของพวกโอปะปะติกะเป็นกายทิพ และเป็นกายที่ไปไหนมาไหนได้รวดเร็วเท่ากับใจนึกกายชิพนี้เกิดง่ายแต่ก็สลายตัวง่ายเพราะเป็นร่างกายที่เกิดจากจิตใจโดยตรงนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ซึ่งสามารถที่จะหาหลักฐานจากทัศน์รปีดกได้หลายแห่งโดยอาศัยหลักวิชาดังที่กล่าวมานี้แล้วลองพิจารณาดูว่า ในกรณีของคนที่ฝันเห็นของจริงนั้นถ้าหากว่าตัวตนในความฝันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วจะสามารถเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริงได้อย่างไรเพราะสิ่งที่เห็นในความฝันไม่ใช่สิ่งที่จิตใจนึกขึ้นมาเองแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆและคนอื่นก็สามารถเห็นได้ตรงกัน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 เพราะความรู้สึกของวิญญาณส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วร่างกายและพร้อมที่จะตื่นง่ายในเมื่อมีเครื่องเราเพราะเหตุที่อำนาจของจิตมีน้อยนี่แหละตัวตอนที่เกิดขึ้นในความฝันจึงยังไม่มีชีวิตแต่คนที่นอนหลับสนิทได้มากจนกระทั่งมีกายชิพเกิดขึ้นมานั้นพลังของจิตในตอนนี้มีมากเพราะไม่มีความฟุ้งซ่าน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 อำนาจจิตของคนที่จวนจะตายนั้นมีพลังสูงมากทั้งนี้ก็เพราะประสาท ต, ต่างๆเริ่มรู้สึกชาไม่รับรู้ต่อสิ่งภายนอกเช่นทางหูก็ไม่เคยได้ยินอะไรแล้วตาก็มองไม่เห็นอะไรแล้วความรู้สึกในร่างกายโดยทั่วไปก็ไม่มีในตอนนี้แหละจิตมีพลังสูงมากเพราะความรู้สึกของจิตใจทั้งหมด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 ในเมื่อความรู้สึกทางตาหรือทางหูไม่มีเพราะตาพิการหรือหูพิการความรู้สึกเมื่อไม่แสดงออกทางหนึ่งก็จะออกมาอีกทางหนึ่งแล้วทำให้ประสิทธิภาพของตารู้หูสูงขึ้นเพราะเหตุนี้คนตาบอดจึงหูไวมากและคนหูหนวกก็ตาไวมากจากตัวอย่างในทานองนี้เราก็จะเข้าใจโดยไม่ยากว่า ทำไมคนที่จะตายอำนาจจิตจึงได้สูงมากทั้งนี้ก็เพราะความรู้สึกทั้งหมดได้มารวมเป็นจุดเดียวกันที่จะสร้างชีวิตขึ้นใหม่ตามหลักพระพุทธศาสนาได้มีกล่าวไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่ได้มโนมายธิจะสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ตามความตั้งใจทุกครั้งตัวอย่างเช่นสมมติว่า เราต้องการจะไปเมืองนอกหรือจะไปที่ไหนก็ตามสำหรับคนที่ได้มโนมยิยธิก็ไม่จำเป็นจะต้องไปด้วยกายเนื้อเสมอไปเพราะเขาสามารถเขาสมาธิแล้วสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ทันทีซึ่งกายทิพย์ที่เขาสร้างขึ้นมานี้จะสามารถเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้ตรงตามความจริงเหมือนกับที่คนอื่นเห็นและได้ยิน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 ท่านก็จะเห็นได้ชัดว่าคนบางคนเมื่อนอ น, อนหลับสนิททำไมกายชิปจึงเกิดขึ้นมาได้หลักสำคัญมันอยู่ตรงที่ถ้าผู้ใดาสามารถรวบรวมกำลังจิตไว้ได้มากประสิทธิภาพของจิตก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถสร้างกายชิปขึ้นมาได้ซึ่งก็เป็นร่างกายที่มีชีวิตมีประสาทครบถ้วน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 จึงมีกายทิพย์ที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้และทําไมทุกคนในขณะที่กําลังจะตายจะต้องได้พบตัวเองในลักษณะของกายทิพย์เกิดขึ้นซึ่งหลักที่ว่านี้เป็นความจริงแก่คนทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่ถ้าจะมีข้อยกเว้นก็จะมีเฉพาะแต่พระรหันเท่านั้นเพราะพาระราหันไม่มีตันหาอุปาทาน ส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้ย่อมมีตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานที่มีในชั้นดานหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือความอยากมีชีวิตอยากมีตัวตนและความยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นในความปรารถนานั้นอย่างเหนียวแน่นที่สุดประกอบกับความสามารถในการสร้างชีวิตของวิญญาณซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลานาน อันนี้คือตัวการสาคัญที่ทำให้เกิดชีวิตหรือมีนามรูปขึ้นมาฉะนั้นปัญหาจึงมีอยู่แต่เพียงว่าอยากจะสร้างหรือไม่อยากจะสร้างเท่านั้นถ้าความอยากที่จะมีตัวตนไม่มีเลยคือตันหาอุปท า, านไม่มีสําหรับบุคคลประเภทนี้เวลาจะตายจะไม่มีตัวตนอะไรเกิดขึ้น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 ก็จะมีประสิทธิภาพในการสร้างโมโนภาพให้มีชีวิตขึ้นมาได้ทันทีบทที่เก้าทุกคนเกิดก่อนตายเมื่อเรายอมรับว่า ตัวตนในความฝันในบางครั้งเป็นตัวตนที่มีชีวิตและมีประสาทใช้การได้และยอมรับว่าคนที่ได้มโนมยิทธิสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นกายที่มีชีวิตเหมือนกับกายเนื้อถ้ายอมรับเช่นนี้แล้วก็จะมองเห็นได้ง่ายว่าทุกคนก่อนที่จะตายจะต้องมีตัวตนเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อเข้าใจจุดนี้แจ่มแจ้งดีก็ขอให้พิจารณาดูว่าในขณะที่วิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่คือปฏิสนธิในไข่ที่ผสมเอาไว้แล้วนั้นตอนนั้นวิญญาณย่อมมีอำนาจสูงมากเพราะไม่ถูกใช้ไปทางอื่นเลยซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเครื่องเราภายนอกไม่กระทบกระเทือนถึงวิญญาณอันนั้นเลย คล้ายกับคนนอนหลับสนิทที่สุดสิ่งภายนอกไม่มีผลทำให้วิญญาณเกิดความรู้สึกรับรู้ต่ออารมณ์ภายนอกเมื่อเป็นเช่นนี้อำนาจของวิญญาณจึงมีมากและด้วยเหตุนี้จึงสามารถสร้างกายเนื้อขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าเราศึกษาเพียงแค่นี้ก็อาจจะยังมองไม่เห็นว่า วิญญาณสร้างร่างกายขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใคร่ที่จะขอเตือนให้นึกถึงพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ได้อย่างไรว่าในขณะนี้ได้มีวิญญาณมาปฏิสนธิในท้ทองแม่เราด้วยอย่างและทรงรู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณที่มาปฏิสนธินี้เองคือตัวการสําคัญที่สุด ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกายและวิญญาณ น, นี่แหละคือตัวการสาคัญที่ทาให้โลหิตของแม่ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงทารกกลายเป็นส่วนต่างๆของร่างกายขึ้นมาอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นอำนาจหรือพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าทรงสา ม, มารถระลึกชาติได้ และทรงมีตาทิพยานทั้งสองนี่แหละคือเครื่องมือสําคัญในการทดสอบเพื่อที่จะให้รู้แน่ว่าในขณะนี้ได้มีวิญญาณมาเกิดแล้วหรือยังในเมื่อเราทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะทําให้สงสัยว่าร่างกายไม่ได้เกิดมาจากวิญญาณข้าพเจ้าใคร่ที่จะขอให้ท่าน ได้พิจารณาบ่อยๆถึงคนบางคนที่นอนหลับสนิทจนกระทั่งมีกายทิพย์เกิดขึ้นมาและคนที่กำลังจะตายทำไมบุคคลเหล่านี้จึงสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นกายทิพย์ที่มีชีวิตมีอวัยวะต่างๆครบถ้วนมีประสาทใช้การได้เหมือนกายเนื้อถ้าเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้ดี ถ้ายอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่ยอมรับว่ากายเนื้อของเรานี้เกิดมาจากวิญญาณเหมือนกัน